ในจุลสาโรประมะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพรามชื่อว่าปิงละโกดฉะเนี่ยนะปิงฆะโกดชะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า รั้นผ่านการตาใสาพอให้ระลึกถึงการไปแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าคําพูดคําถามของเขาเนี่ยถามแบบสุพัท ธ, ธปริภาชกที่ไปถามพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะดับขันปรินิพานคําถามเหมือนกันว่าข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญสมณพราหมณ์พวกนี้เป็นเจ้าหมูเป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมียศเป็นเจ้าลทัทธิ ชนเป็นอันมากสมมุติยกย่องกันว่าเป็นคนดีก็คืออะไรมีอะไรเจ้าหมู่ก็แปลว่าหมู่ใหญ่มากเลยนะคณะใหญ่เป็นคณาจารย์มีชื่อเสียงมีบริวารมีลาบมีสการะทุกคนยกย่องสรรเสริญว่าเขาคือคนดีใครมั่งสมัยก่อนก็คือปุรณะกัสปะมัคลิโคสารอชิตเกษกัมพลปะกุทธกัจจยนาอุสันชัยเวรัตบุตรนิครณาตบุตรเนี่ยนะก็ ครูทั้งหเนี่ยนะครูทั้ง6หรือเจ้าลัทธิสํานักใหญ่ให่อยู่6ทุกคนเนี่ยปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าหมดเลยปุรณกัสปะเขาก็ปฏิญาณตนว่าเขาคือพระพุทธเจ้ามัคคลิโคสารก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้อาอชิตาเกษะกํมพลก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าปกุท ธ, ธกัจยานะก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าสันชัยเวรตบุตรก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้านิครณนาตบุตรก็ปฏิญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้า คำถามมีอยู่ว่ า, าศาสตราเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยรู้ยิ่งตามปฏิญญาของตนหรือไม่อวดอ้างสรรพคุณอ้างคุณธรรมที่มีอยู่ในตนว่าตัวเองเป็นพระสัพพัญยูเนี่ยนะจริงยังคําโฆษณาหรือไม่ทุกคนนะทุกคนเนี่ยนะเป็นเช่นคําโฆษณาของตนไหมหรือทุกคนไม่มีใครรู้จริงแม้แต่คนเดียวทั้งหคนไม่มีใครรู้จริงแม้แต่คนเดียวหรือ บางพวกรู้บางพวกไม่รู้บางพวกรู้จริงบางพวกรู้ไม่จริงเอาไงกันแน่นะคำถามสามอย่างหนึ่งรู้ทั้งหมดสองไม่รู้ทั้งหมดสบางพวกก็รู้มั่งไม่รู้มั่งเนี่ยนะเอาไงกันแน่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ายาเลยพราหม์ข้อที่พวกนั้นทั้งหมดจะรู้ยิ่งตามปฏิยาของตนหรือแต่ละคนไม่รู้ยิ่งเลยหรือบางพวกก็รู้บางพวกก็ไม่รู้เนี่ยนะจงงกจงงดเอาไว้ก่อนเถอดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านนะ่ยนะ เอาไว้เรื่องนั้นค่อยคุยกันทีหลังแล้วกันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องพูดถึงหรอกเราจะแสดงธรรมแก่ท่านท่านจงทําไว้ในใจให้ดีเราจะกล่าวปิงคละโกฏชพราหมณ์ก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงว่ามีข้อเสนอพิเศษใช่ข้อเสนอพิเศษท่านไม่ต้องไปสนใจประเด็นที่ท่านยกมาหรอกมาเนี่ยครับอแนะนําข้อเสนอพิเศษให้พระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพรามว่าดูก่อนพราหม์ เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกับพี่ละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดไปเสียไปตัดเอาเฉพาะกิ่งและใบถือไปสำคัญว่าเป็นแก่นคนที่มีปัญญาก็รู้เลยว่าเออคนนี้ไม่รู้จริงเน่ยนะเพราะอะไรเพราะไปเข้าไปในป่าต้นไม้ที่มีแก่นกลับไปได้อะไร ไปได้เก่งและใบขึ้นมาอันนี้พวกที่หนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งบุรุษคนกลุ่มที่สองเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพีละเลยเปลือกไปเสียไปทากเอาสะเก็ดถือไปสําคัญว่าต น, นได้แก่นไม้ไปคนมีปัญญาคนรู้จริงก็บอกไม่ใช่ให้คนนี้ไม่รู้จริงเพราะเอาเฉพาะ เพราสะสเก็ดถือไปกลุ่มที่สามเปรียบเหมือนบุรุษมีความต้องการด้วยไม้แก่นสแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกับพี่ไปไปทากเอาเฉพาะเปลือกถือไปสําคัญว่าเป็นแกน่นคนมีปัญญาบ่คนนี้ไม่รู้จริงเพราะอะไรเพราะต้นไม้มีแก่นมีอยู่แก่นไม้มีอยู่ไม่เอาหรอแก่นไปเอาอะไรไปเอาเปลือกเข้า ลมที่สนะหรืออีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยแก่นไม้เที่ยวแสแวงหาแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นไปเสียไปถากเอากับพี่ถือเอาไปสําคัญว่าเป็นแก่นบุรุษผู้มีจักษุก็กล่าวว่าไอคนนี้ไม่รู้จริงนะไม่รู้อะไรเป็นแก่นเป็นกระพือเป็นเปลือกเป็นสะเก็ดเป็นกิ่งเป็นใบเพราะอะไรเพราะไปละเลยละเลยอะไ ร, ล ะ, ล, ะไรละเลยแก่น ไปถือเอาเฉพาะกระพี้สำคัญว่าเป็นแก่นเพราะฉะนันจึงไม่สมความปรารถนานนกลุ่มที่สี่ส่วนกลุ่มที่ห้าพวกนี้ก็สแสวงหาไม้แก่นสแสวงหาไม้แก่นพอไปเจอต้นไม้ใหญ่มีแก่นก็ตัดเอาแก่นนั่นแหละถือไปเพราะรู้อยู่ว่ารู้อยู่ว่านี่แหละคือแก่นไม้ก็ได้แก่นไม้ไปจริงบุุรผู้มีจักษุเห็นเขาผู้นั้นแล้ว กล่าวอย่างนี้ว่าผู้เจริญนี้รู้จักแก่นไม้รู้จักกัะพี่รู้จักเปลือกรู้จักสะเก็ดรู้จักกิ่งรู้จักใบเพราะเขาต้องการแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้ในที่สุดไปพบต้นไม้มีแก่นก็ตัดเอาแก่นนั่นแหละถือไปรู้อยู่ว่านี่คือแก่นกิจที่เขาต้องทานเพราะสแสวงหาแก่นไม้ก็สาเร็จประโยชน์แกเขาแบ่งเป็นห้าพวกพวกที่หนึ่งไปได้อะไรมา จริงๆก็ต้องการแก่นไม้นั่นแหละก็ไปได้กิ่งและใบเนี่ยนะไปได้กิ่งและใบโอ้ยกิ่งและใบนี่ขนได้เป็นคันรถเลยใช่ไหมเยอะไปหมดเลยเนี่ยนะอย่างที่สองได้อะไรได้สะเก็ดไปเนี่ย น, นะกลุ่มที่สามได้ ได้เปลือกไปกลุ่มที่สี่ได้กระพี้ไปพวกที่ห้าได้แก่นไปหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่รู้จักแก่นไม้อย่างแท้จริงเพราะควรจะถือเอาแก่นกลับไปเอาเก่งใบควรจะถือเอาแก่นกลับไปเอาสเก็ดควรจะถือเอาแก่งแก่นกลับไปถือเอาเปลือกควรจะถือเอาแก่นกลับไปเอากะพี้ส่วนพวกที่ห้าฉลาดรู้ว่าอะไรคือเก่งใบรู้ว่าอะไรคือสเก็ดรู้ว่าอะไรคือเปลือกรู้ว่าอะไรคือกระพี้กระพรี้รู้ว่าอะไรคือแก่นเนี่ยนะก็ในที่สุดก็ถือเอาแก่น นะเพราะว่าเหมือนว่าแก่นเนี่ยมันมีราคาสูงสุดนะกิ่งและใบมันก็มีราคาแบบกิ่งใบรากสการะมันก็มีค่าแต่มันก็มีระดับหนึ่งถ้าเทียบกับศีลศีลก็มีค่ามากกว่าถ้าศีลถ้าเทียบกับสมาธิสมาธิมีค่ามากกว่าอาหรือว่าถ้าต้นไม้นะกิ่งใบก็มีค่าน้อยกว่าเปลือกเปลือกมีค่าน้อยกว่ากับพี้กว่าสเก็ดสเก็ดมีค่าน้อยกว่าเปลือกเปลือกมีค่าน้อยกว่ากับพี้กับพีไม่ได้มีค่าเศษเซี่ยวถึงแก่นฉันใด พระพุทธในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบบุคคลด้วยด้วยด้วยการเตาะแสวงหาเก่นไม้ว่าในข้อ355ห้าสิบห้าดูก่อนพราหมณ์ฉันนั้นเหมือนกันแลกุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยสถาคิดว่าเราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโศกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาท ครอบงำแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทำไฉนเนอความกระทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏเขาบวชอย่างนั้นแล้วยังลาบสการะและความสรรเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดํ m ริเต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสรนเสริญอันนั้นเพราะลาบสการะและความสรรเสริญอันนั้นเขาจึงโยกตนข่มผู้อื่นว่า เรามีลาบสการะและความสัรเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏไม่มีใครรู้จักเพราะเป็นพวกที่มีศักดาน้อยเพราะฉะนั้นเขาไม่ยังฉันท่าให้เกิดไม่พยายามแปลว่าไม่เจริญสมบัติทางนะเพื่อทำให้แจ้งธรรมเหล่าอื่นซึ่งยิ่งกว่าประนี ก, กว่าลาบสการะและสัรเสริญนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนและทอ้อถอยเนี่ยนะเป็นพวกนี้ก็ทอ้ทอถ พอแท้แล้วพอเพระตัวเองได้ลาบสากสาระชื่อเสียงสรรเสริญเบ็ดเสร็จคนนับหน้าถือตาถือว่าจุดสูงสุดของมนุษย์ในหมู่มนุษย์ด้วยกันแล้วก็ถือว่าเพียงพอเลี้วก็เลยย่อหย่อนแล้วก็ท้อถอยเปรียบเหมือนบุรุษคนนั้นที่มีความต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกับพีละเลยเปลือกละเลยสเก็ดไปเสีย ตัดเอากิ่งและใบถือไปสำคัญว่าเก่นและกิจที่พึ่งทำด้วยไม้เกนของเขาไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาฉันใดดูก่อนพรามเราเรียกบุคคล น, นี้ว่ามีอุปมาชันนั้นก็คือพระองค์ก็ต้องการจะบอกว่าครูทั้งหกโดยมากก็ลักษณะมาได้ลาบสาการะสรรเสริญชื่อเสียงเป็นบุรุษกลุ่มที่หนึ่งเกือบทั้งหมดเนี่ยนะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้คุณทำอะไรเลยเนี่ยนะโดยมากทุ่มสินด้วยซ้าไป แต่ก็มีลาบสการะชื่อเสียงสรนเสริญก็ถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จเข้าถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยนะก็หยุดอยู่แค่ลาบสการะชื่อเสียงจริงจรตอนแรกเลยก็เจตนาดีนะแต่ตอนหลังก็ได้ลาบสการะชื่อเสียงสรรเสริญแล้วก็เลยหยุดอยู่เท่านั้นแหละเนี่ยนะ ดูก่อนพราล์มบุคคลบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตครอบงำแล้วถูกความทุบท่วมทับแล้วมีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วทำฉนหยความกระทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวลนี้จะเพ่งปรากฏ น, น, นะเพราะฉะนั้นเขาบวชอย่างนั้นยังลาบสักการะและความสรรเสริญให เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความยินดีไม่มีความดําริเพราะอะไรเพราะความปรารถนาของยังของเขายังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและสรรเสริญมาเขาจึงยังฉันทะให้เกิดพยายามเพื่อทําให้แจ้งซึ่งทำเหล่าอื่นอันยิ่งกว่าและประณีตกว่าลาบสการะและความสรรเสริญทั้งเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอยเขาก็ยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้ สำเร็จเนี่ยนะก็จนประสบความสำเร็จในการรักษาศีลเขามีความดั่งิเขามีความยินดีสมความปรารถนาเพราะความถึงพร้อมแห่งศีล น, นั้นเขาถึงพร้อมแห่งศีลก็เลยยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนคนอื่นนอกนี้ทุศีลมีบาปประธ ร, ร น, นะรมดีไม่จริงเท่าเราเพราะเรามีศีลเขาไม่มีศีลกันเลยเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ยังฉันท่าให้เกิดพยายามเพื่อทำให้แจ้งคุณธรรมเหล่าอื่นที่ยิ่งไปกว่าประนีตไปกว่าความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นทั้งเป็นผู้มีความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยเนี่ยนะถึงความประพฤติย่อหย่อนท้อถอยหยุดอยู่เพียงศีลเปรียบเหมือนผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้อันนะไปได้อะไรไปได้เปลือกไปแค่นั้นเองพูดถึง อ, อ, อาจารย์ หรือที่เรียกว่าครูทั้ง6เนี่ยนะครูทั้ง6มีครูคนหนึ่งชื่อว่าสันชัยเวรัตถบุตรเนี่ยชื่อว่าเป็นอาจารย์เป็นครูของภาษารรบุตรนะครูของสาษาบุตรภาษาเรบุตรและพระโมกขลานะตอนที่ภาษารรบุตรเนี่ยนะบรรุเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะก็ไปชวนอาจารย์สันชัยเวรัตถบุตรว่าท่านอาจารย์ บัดนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วเราเข้าไปหาอาจารย์พระพุทธเจ้าเถอละลัทธิของอาจารย์เนี่ยไม่มีอะไรรอกไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเนี่ยนะอาจารย์สันชัยเวรัตถบด บ, บอกว่าฉันเป็นสิทธิใครไม่ได้อีกต่อไปแปลว่าเป็นหัวหน้าเป็นาศาสดาขนาดนี้แล้วเป็นสิทธิของใครไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็เหมือนก็แหมตัวเองเนี่ก็งอเงาไปเป็นบริษัทคนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นขอเป็นหัวหน้าหมู่จันทานดีกว่าเป็นอะไร แปลว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยนะไม่เอาแล้วนะขอเป็นหัวหน้าหยุดอยู่แค่คนจันทาเ น, นั่นแหละก็แล้วโคกโคกที่บอกว่าอาจารย์ไปเถอะรัที่อาจารย์นั้นไม่มีสาระไม่มีแกนสารไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะะไปเถอะไม่ไปก็บอกว่าอาจารย์ลัที่อาจารย์ไม่มีสาระนะลาบสาการะเป็นต้นของอาจารย์ก็ไม่ยั่งยืนนะเป็นต้นบอกหม่บอกว่าในที่สุดก็ถามพรพะพสารีบุตรว่านี่ ถามจริงอนะ่ะในโลกนี้คนโง่ามากหรือฉลาดมากเขาบอกว่าคนโง่มีมากกว่าเออพวกฉลาดไปหาพระสมณะโคโดมไปมันไม่มากใช่ไหมเว้ยศาสนานั้นมีกี่คนรักของเรานีเนี่ยพวกโง่ๆมานับถือเนี่ยนะก็เลยก็นับถือว่าเออพวกคนโง่ๆเนี่ยนะเราก็มังมาดูว่าเออแล้วเขาบอกว่าความโง่ความฉลาดของเราเนี่ยนะเขาบอกว่าดูจากอะไรรู้ไหมดูจากบุคคลที่เรานับถือบอกได้เลยว่ารสนิยมของเราเป็นยังไง เหมือนกับว่าเสื้อผ้าที่เราใช้สอยเนี่ยมันบอกถึงรสนิยมหรือท่าแท้ของคนนั้นดูจากคนที่เขาคุยด้วยคนเพื่อนคบเพื่อนคบค้าสมาคมเนี่ยนะเพื่อนพูดเพื่อนคุยเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าเราชอบคุยกับคนขี้เมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ดีกว่าคนขี้เมาสักเท่าไหร่หรอกนะถ้าเราชอบคุยกับคนเพ้อเจ้ออยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้ดีกว่าคนนั้นเท่าไหร่หรอกถ้าเราชอบยุแยงตะแคงรั่วชอบยุนี่ยุโน่นเนี่ยนะหรือชอบคนชอบฟังคนแบบนั้นพูดคุยเนี่ยสแสดงว่า คดีนะแมะลงวันเนี่ยมันไม่ชอบของหอมหรอกเนี่ยนะถ้าเราโอ้ยนั่นอุจจาระทั้งนั้นเลยของเหม็นทั้งนั้นเลยแต่ตอมอยู่นั่นแหละบินว่อนอยู่แถวนั้นก็แสดงว่าสัญชาติของแมลงวันฉันใดคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยประกาศถึงธาตุแท้ของเราเนี่ยนะคนรอบๆตัวเราเนี่ยเป็นคนบอกเราหมดเลยว่าเราคือ ใครเจริตของเราเป็นยังไงนิสัยของเราเป็นยังไงก็ดูจากคนที่เราครบหาสมาคมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมงคลสาสิบแปดเนี่ยนะตัวที่จะบอกว่าเราจะเจริญหรือเราจะเสื่อมก็ดูจากมงคลข้อที่ข้ออะไรหนึ่งสองสามหนึ่งเราครบใครอยู่สองเนี่ยนะเราครบคนที่อะไรเขาบอกว่าวิธีคบคนเนี 1, ่ยนะหนึ่งเรารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนชั่ว เขาเป็นผานหรือเป็นบัณฑิตรู้ได้ยังไงเขาบอกว่าบัณฑิตเป็นต้นก็มีลักษณะเดี๋ยวสูตรต่อไปข้างหน้านะีจะรู้ว่าอย่างไรชื่อว่าคบคนดีหรือว่าคบคนชั่วเนี่ยนะคบคนดีหรือคบคนชั่วคบคนผานหรือว่าคบบัณฑิตเนี่ยนะซึ่งบุคคลทั้งหลายเนี่ยพฤติกรรมของเขาบอกเราหมดแล้วว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเขาเป็นผานหรือเป็นบัณฑิตถ้าเราเนี่ยนะมีอัธยาศัยอยู่ใกล้คนบานเราก็ไม่ต่างจากเขาสักเท่าไหร่หรอกนะ ถ้าหากว่าเรามีอัายาสายโน้มหนาวไปหาบัณฑิตเราก็อยู่ใกล้บัณฑิตเพราะฉะนั้นอ่านพระไตรปิฎกดีที่สุดเนี่ยนะพอจะใกล้บัณฑิตใกล้ใครมั่งใกล้พระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ละสูตรแต่ละสูตรอันหนึ่งสูตรก็พบพระพุทธเจ้าอีกไปหนึ่งสูตรนนเราก็ใกล้ชิดจพยายามสมาทานอธิษฐานว่าทํายังไงจะประพฤติดีแล้วก็ปฏิบัติชอบพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สรรเสริญศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะสรรเสริญพุทธคุณธรรมอื่นๆอีกการที่เราเนี่ยนะมีศรัทธา บูชาพระคุณของพระองค์เป็นต้นแสดงว่าเราก็ชื่นชมในศีลสมาธิปัญญาชื่นชมสรรเสริญยกย่องในคุณธรรมใจของเราก็จะโน้มไปเพื่อยินดีคุณธรรมแต่ขณะเดียวกันเราก็อย่าเอาขยะมูลฝอยมาเทลงในพระพุทธศาสนาบอกว่าถามทำยังไงวิธีเกลือเกลี่ยเกลี่ยทุรีลงในศาสนาทำยังไงก็พระพุทธคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นศีลถ้าเราเอาความธุศีลมาเกลี่ยลงก็เป็น เป็นอะไรก็ไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า